ทำเนียมระธุดงกรรมฐานไก่ป่าขันตัวเดียวถ้าพระภิกษุที่เคารพพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเขาไม่ทนงตัวหรอกแม้แต่ครูบาอาจารย์มานั่งอยู่ต่อหน้าอย่างหลวงพ่อนั่งพูดอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์อาวุโสมาปับ๊บหลวงพ่อจะหยุดพูดทันทียังเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงปู่ล่า หลวงปู่ล่าอาวุโสอ่อนกว่าหลวงพ่อสักพักหนึ่งพวกเจ้าใหญ่ๆโตๆมาจากกรุงเทพมาเคี่ยวเข็นหลวงปู่ล่าเขาบอกหลวงพ่อขอฟังเทศหลวงพ่อขอฟังเทศหลวงปู่ล่าก็นั่งเฉยคือเขาอยากฟังเทศหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าก็ไม่เทศแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรหลวงพ่อก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายอยากฟังเทศหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่า เท่ที่ท่านฟังจนจบคำพีพระวินัยปิดกเขาพากันงงหลวงพ่อก็เลยบอกว่าทำเนียมพระทุดงกรรมฐานท่านจะเคารพนับถือตามลำดับชั้นถ้ามีผู้อาวุโสอยู่ต่อนหน้าท่านจะไม่แสดงธรรมอัตมาก็สังเกตก็รู้สึกว่าพวกท่านอึดอัดรำคาญเต็มที่แล้วแต่หลวงพ่อก็ไม่ลุกหนี เพราะอยากจะให้พวกท่านรู้ความจริงของระเบียบพระสงฆ์ตามพระวินัยเพราะฉะนั้นท่านลาได้เทศให้พวกท่านฟังจนจบพระไตปิฎกแล้วธรำเนียมพระกรรมฐานถ้าหากว่ามีพระอาวุโสอยู่ท่านจะไม่แสดงธรรมหรือเวลาท่านแสดงอยู่ถ้าหากพระอาวุโสเข้าไปนั่งด้วยท่านจะหยุดทันทีท่านถือธรำเนียมไก่ป่าไก่ป่าเนี่ยอยู่ในป่ามีไก่ตัวผู้ตั้งร้อยตั้งพันตัว มันจะขันพิงตัวเดียวเท่านั้นทีนี้ท่านถือกติว่าถ้าหากว่าพระทุดงกรรมฐานต่างคนต่างเทศต่างคนต่างขันมันก็ไม่ดีกว่าไก่ป่าสมัยที่หลวงปู่สาวท่านอยู่เวลาท่านนั่งอยู่นั่นใครจะไปถามปัญหาอะไรลูกศิษย์ลูกหาท่านจะนิ่งเงียบ บอกว่าให้ถามหลวงปู่ทีนี้ถ้าหากมีใครอยากฟังเทศท่านก็เทศไม่เป็นถ้าท่านจะให้ใครเทศท่านจะบอกว่าท่านดีเทศซะท่านฟันเทศซะท่านเทศเทศะหมายเหตุท่านเทศเทศซะในที่นี้หมายถึงหลวงปู่เทศเทศรังสีนะครับมาถึงจังหวะนี้สมมุติว่าหลวงพ่อเป็นพระอาวุโสอยู่นี่ ท่านล่าเทศให้โยมฟังเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วท่านก็เทศให้ฟังทันทีพอฟังเทศท่านล่าจบโอ้ยเราก็สแสวงหาครูบาอาจารย์มานานนักหนาแล้วจนเกือบตายเข้าโรงแล้วหัวหน้าใหญ่เขาพูดเพิ่งจะมารู้เดี๋ยวนี้เองสาธุที่มาพบพระคุณเจ้าเนี่ยได้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบของพระเจ้าพระสงฆ์ไปที่ไหนก็เห็นแต่พระท่านแข่งกันเทศ เพิ่งจะมารู้ความจริงวันนี้เองกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าอย่างสุดซึ้ง